วันเวลาผ่านไปอีกหนึ่งอสงไขยเพิ่งพบพระพุทธเจ้าโกนธัญญาวันเวลาผ่านไปก็พบพระพุทธเจ้าอีกสองค์หรือสี่องค์นะนะพระมังคละพระพุทธเจ้ามังคละโสพิตะส ม, มณะและเรวัตะนะก็แล้วก็วันเวลาก็ผ่านไปเลยมาจนถึงสมัยพระพุทธเจ้ า, านะอโนมาทศี วันเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานพบพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุมะเนี่ยนะปฐมพระพุทธเจ้าปฐมส่วนปฐมปทุมุตระนี่องค์ข้างหน้าต่อไปมีปุมะกับปทุมุตระมีสององค์พระพุทธเจ้าพระนามว่าปฐุมะนั้นมีเมื่อสมัยมนุษย์อายุเออเข้าไปมีสมัยไหนมีสมัยเมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกลับที่แล้วนะเมื่อหนึ่งอสงไขย แสนกับนับจากพระตะกรบนี้ไปมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น3องค์คืออโนมาทศีปฐุมะและพระนาระทะพระพุทธเจ้าอโนมาทศีเป็นผู้พยากรพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะว่าจะเป็นอัครสาวกส่วนเามื่อวานได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าปฐุมะวันนี้มาขึ้นพระพุทธเจ้านาระทะซึ่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นกว่าจะได้บำเพ็ญบารมีจะเต็มเปี่ยม สมบูรณ์เยนะสร้างบารมีเาเรียกว่าทำบุญทุกอย่างตั้งความปรารถนาไว้อย่างชัดเจนทำโดยไม่เลอะเลือนลอหลงลืมเนี่ยขนาดนั้นก็ใช้เวลาเนิ่นนานมากเมื่อได้ตรัสรู้เนี่ยนะการตรัสรู้ของพระองค์ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์นั้นการที่เราได้ศึกษาพุทธวงก็ศึกษาเพื่อจะได้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 พระสัมพุทธเจ้าพระนามว่านาระผู้เป็นยอดแห่งสัตว์สองเท้าไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้เปรียบก็เกิดขึ้นผู้เป็นยอดแห่งสัตว์สองเท้าอันนี้ก็เป็นคำยกย่องว่าในบรรดาสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้านะสัตว์ที่มีสัญญาก็ตามไม่มีสัญญาก็ตามเนวะสัญญาณาสัญญาก็ตามพระองค์เป็น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 ลูกชายพระเจ้าจักรพรรดิออกบวชเป็นพระพุทธเจ้านี่ไม่ธรรมดาเหมือนนะเพราะปกติเนี่ยจะต้องสืบทอดตําแหน่งต่อจากพระผาบิดาใช่ไหมเป็นจักรพรรดิเหมือนกันักท่านก็ไม่เอาเท่านก็สวมอาภรณ์มีแก้วมณีแต่งตัวอย่างดีก็เข้าไปในพระราชอุทยานนั้นที่อุทยานนั้นก็มีต้นไม้ใหญ่ไพศาลงามสะอาดสะอ้านพอไปถึงต้นไม้นั้นแล้วก็ประทั บ, ทบนั่งภายใต้ต้นมหาโสนะ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 อยากขยายออกมาดึงเรื่องให้มันยาวขึ้นก็เป็นปฏิจจสมุปบาทนะนะณที่นั้นพระองค์ก็กำจัดกิเลสทั้งหลายโดยไม่เหลือเลยแล้วบรรลุพระโพธิญาณและพระพุทธญาณทั้ง14ส่ิ้นเชิงตรัสรู้โพธิญาณเนี่ยนะญาณที่ดำรงภาวะในความเป็นพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นและพุทธญาณ14ก็เกิดขึ้น พุทธยาณ14ก็คืออาสายานในอริยสัจสี่ยานในปฏิสัมพิทาสี่และก็ในอาสาธารณายาณหนะอริยสัจสีปฏิสัมพิทา4อาสาธารณายาน6ก็รวมเป็นพุทธยาน14หลังจากที่บรรลุโพธิยานกรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศพระธรรมจากอภิสมัยครั้งที่หนึ่งได้มีกษัตริย์แสนโกดเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์บรรลุมากมาย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 แล้วก็ออกบทเฉพาะตอนนั้นนะตอนหลังก็ลูกชายก็บวชตามนีนะได้บวชตามพอบวชตามพระองค์ก็แสดงทำโอวาทสอนลูกชายหรือว่าพุทธโอรสในสมัยครั้งที่สก็มีสักดิ์แ0ดหม่นโกธถ้าถามว่าของพระพุทธเจ้าของเราบรรลุเท่าไหร่บรรลุหาประมาณไม่ได้นะพุทธเจ้าของเรานี้ตอนที่สอนพระราหุ่นนั้นบนรรลุหาประมาณไม่ได้ พระนารถพุทธเจ้าพระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีสันนิบาตการประชุมสาวกสครั้งครั้งที่1เป็นการประชุมแสนโกรธครั้งที่สองครั้งที่พระองค์ทรงประกาศพระพุทธคุณพร้อมทั้งเหตุ น, นะหมายความว่าประกาศพระพุทธคุณเนี่ยนะพุทธคุณก็คือคุณะคุณเนี่ยนะประกาศคุณะคุณตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุทโธขยายเนื้อความรายละเอียดเกี่ยวกับพระญาณเป็นต้นของพระองค์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 เป็นอะไรเป็นชดินเป็นฤาษีผู้มีตาบะเป็นผู้ตาบะก็คือมีเดชสูงมากถึงอภินยาห้าแปลว่าได้สมาบัตแปด้วยได้รับอภิญยาห้าสมาบัตแปดเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เที่ยวไปในอากาศแม้ในครั้งนั้นเราก็เลี้ยงดูคือพระโพธิสัตว์ก็ได้ทำบุญถวายทานแด่พระนารทพุทธเจ้า ก็คือทำบุญถวายทานน ะ, นะแต่ถ้าแปลตามศัพท์เลี้ยงดูเนี่ยฟังแล้วก็ไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่นะเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าเออทั้งเลี้ยงทั้งดูก็แปลเอาก็แล้วกันเนะเลี้ยงด้วยดูด้วยเลี้ยงก็ให้อาหารใช่ไหมดูก็ดูด้วยเลื่อมใสนี่เรมามักเรียกว่าบำรุงเลยนะก็ทำบุญพุทธบูชานั่นแหละนั้นพระโพธิสัตว์ก็ทำบุญพุทธบูชา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 แค่คำว่าจันแดงเนี่ยนะสมัยพุทธ ก, กาลเขาก็มีเป็นเป็นเป็นแก่นไม้ชนิดหนึ่งแค่คำว่าไม้จันแดงแล้วก็เอาคุณสมบัติอันหนึ่งก็คือมาบดแล้วเป็นยาหยดตาได้ครั้งนั้นพระนารถพุทธเจ้าผู้นำโลกแม้พระองค์นั้นก็ทรงพยากรพระโพธิสัตว์ผู้เป็นฤาษีว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าในโลกในกลับที่หาประมาณมิได้นับแต่กลับนี้ไปแสดงว่าอีกนานแค่ไหน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 พระตถ า, าคตรพระองค์นั้นก็ออกพเนสกรมออกบวชจากกรุงกบิลพั์ที่น่ารื่นรมตั้งความเพียรรมทุกระกิริยากี่ปี6ปีพระตถ า, าคตป ร, ระทับนั่งณโคนต้นอาชาปาลานิคโครอรับเข้ามาทุปายาสนะที่นั้นแล้วก็เข้าไปยังแม่น้ำเนรัญชาพระชินเจ้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาทุปายาสนะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาเสด็จดำเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้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 อตมะพระองค์จะมีอักขระสาวกชื่อว่าโกลิตะคือสาริบุตรพระโมคาลาสารีบุตรผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นพระองค์มีอุปถาคเชื่อว่าพระอานันทาหรือพระอนอนบำ ร, รุงพระชินเจ้าผู้นี้พระองค์ก็จะมีอักขระสาวิกาชื่อว่าพระเถมาและพระอุบลวันนาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่น โผพลึกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอสัตถ h พระองค์จกมีอักระอุปถากชื่อว่าจิตตะและหัต t h อลาวกะพระองค์จกมีอักระอุปถายิกาเชื่อว่านันทมาตาและอุตรราพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นจกมีพระชนมายุร้อยปีหมายว่าเกิดในยุคมนุษย์ร้อยปีนะแต่ว่า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 พระพุทธเจ้าเรียกว่าหนอพุททางกูลเป็นหนอที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย น, นะเพราะว่าเพราะเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นพระพุทธเจ้าและจังโงกในที่สุดก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทั้งหมื่นโลกธาตุเทวดาก็พากันโห่ร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญเชลีนมัสการกล่าวว่า ถ้าว่าพวกเราพลาดคําสั่งสอนของพระโล ก, กนาถคือถ้าพลาดจากคําสอนไม่ได้ปฏิบัติแทงตลอดอริยรสัจในศาสนาพระนารทถพุทธเจ้าพระองค์นี้ไซในอนาคตตการขอพวกเราจงพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้แล้วจกอยู่ต่อหน้าพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แล้ว มนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพลาดท่าน้ำข้างหน้าก็ถือเอาท่าน้ำข้างหลังข้ามแม่น้ำใหญ่ฉันใดพวกเราทั้งหมดถ้าหากว่าพลาดพ้นหรือผ่านพ้นจากชินะพุทธเจ้านาระทะพระองค์นี้ไซาอานาโคตพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าโคตมะพระองค์นี้ฉันนั้นเหมือนกันฝ่ายชดินฤศีเนี่ยนะฝ่ายฤศีผู้มีฤทธิ์เนี่ยนะผู้ทาบุญอุปถัมภ์พระพุทธเจ้า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 ว่ามีข้าวาว่าข้าวปลาอาหารสมบูรณ์นะนะพระชนกชื่อว่าพระเจ้าสุเทวะนะพระพุทธบิดาชื่อว่าสุเทวะพระพุทธมานานามว่าพระนางอนมารโปรงครองคารวะาวาิสัยอยู่ 9,000 ันปีมีปราศาทชั้นเยี่ยมสามหลังชื่อว่าชิตะวิชิตะและอภิรามะมีสนมนารีหญิงฟ้อนรำ ที่ประดับกายงามประมาณส3 0 0 0นาพันนางพระอัคาราเมหศีพระนามว่าวิวชิตตเสนนาพระโอรสพรนามว่านันทุตระพระผู้เป็นยอดบุรุษนารทะก็เห็นนิมิตสีประการคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เห็นนักบวชจริงๆก็เห็นลูกชายด้วยแหละเป็นห้าเสด็จอภินษสกมโดยดำเนินด้วยพระบาท อนะอินทรีแก่กล้าบารมีแก่กล้ามากนะบำเพ็ญเพียรรวบรวมโพธิปักฉิธรรมใช้เวลาจให้สติดำรงมั่นอยู่ในสติปัฏฐานจเจริญพ่อชงเจ็วันตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระมหาวีระนาระผู้นำโลกผู้สงบหลังจากที่สเสวยวิมุติสุขผ่านไปเจ็ดสัปดาห์อันเท้ามหาพรหมก็อาราธนาพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจกักณทนันชยัยราชอุทยานอันสูงสุด าศาสนาของพระองค์ก็แพร่หลายมีสาวกเกิดขึ้นอัคาราสาวกผู้เลิศของพระองค์ชื่อว่าพัทศสาระและพระชิตตมิตระพระพุทธอุปถาคชื่อว่าวาเสธะพระอัคาราสาวิกาชื่อว่าพระอุตราและพระพัคุณีโพเพิกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระองค์เรียกว่าต้นมหาโสนะโอ้อยช้างใหญ่อัคาราอุปถาคชื่อว่าอุครินทะและวสอัคาราอุปถายิกาชื่อว่า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 สาวกทั้งหลายถึงจะอยู่เป็นแค่ว่านั่งแผ่นดินทั้งแผ่นดินที่เป็นสาวกอย่างไรก็เปรียบเทียบไม่ได้เศษเสี้ยวเดียวของพระพุทธเจ้าเพราะห่างกันมากเหมือนอย่างว่ามเมล็ดพันธุกาัจะมีกี่ล้านเม็ดก็ช่างเถอะอยังไงก็เทียบกับขุนเขาสิีรุ่ไม่ได้นั่นนะร้อาหารทั้งหลายก็เช่นกับมเมล็ดพันธุ์ถกกถ้าเทียบกับพระอาหารตาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งห่างกันมากเพราะว่า